และพระองคคือผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองคและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิกล่งวว่าไม่มีอะกวารเปนพยานของพระ้าผเป็นพยานระหว่างเราแะพวก و أ و ح َ إلي هذا القرآن لأذركم به و م ن بلغ أإنكم ل َ تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งใดใหญ่ยิ่งกว่าในการเป็นพยานจงกล่าวเถิดว่าอาลัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและอัลกุรอานนี้ก็ได้ถูกประทานลงมากแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้ใช้อัลกุรอานนี้ตักเตือนพวกเจ้าและผููที่อัลกุรอานนี้ไปถึงพวกเจ้าจะยืนยันโดยแน่นอนกระนั้นหรือว่ามีพระเจ้าอื่นร่วมกับอลัลลอฮ์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 และผู้ดใดเล่าที่อาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แกลล่เราหรือปฏิเสธบรรดาองค์การของพระองค์แท้จริงบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่ได้รับความสำเร็จ และในวันที่เราจะชุมนุมพวกเขาทั้งมวนและเราจะกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ให้มีพาขีขึ้นว่าไหนเล่าบรรดาพาขีของพวกเจ้าที่พวกเจ้าอ้างกัน وا แล้วผลข่งการทดสอบพวกเขาก็มิได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ให้มีภาคีขึ้นแต่อย่างใด อัลกร์ كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ي ف ت ر و ن มูฮัมมัดจงพิจารณาเถิดว่าพวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นก็หายไปจากพวกเขาอัลมิหุมไม่ يستمع إ ل ย ك وجعلنا على قلوبهم أ ك ن ة ا أي ي ف ق ه و هو في آ ذ ا ن ه م و ق ر ا ء وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังพวกเจ้าอยู่บ้างแต่เราได้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจอันกุรอานและไดใ้ในหูของพวกเขามีความหลวกอยู่ด้วยและหากพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาจนกระทั่งพวกเขาได้มาหาเจ้าทั้งยังโต้เถียงกับเจ้า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเพียงนิยายโบราณเท่านั้นและวพวกเขาห้ามเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานและพวกเขาก็ปลีกตัวออกจากอัลกุรอานด้วย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 แลวพวกเขาได้กล่าวว่าโอ้หวังว่าเราจะถูกนำกลับไปและเราก็ไม่ปฏิเสธบรรดาองค์การของพระผู้บานของเราอีกและเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้สัมผัส แต่ถ้กว่าได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้แต่ก่อนกาแต่หากว่าพวกเขาถูกนำให้กลับไปแน่นอนพวกเขาก็จะกลับไปกระทำสิ่งที่พวกเขาถูกข้ามไว้อีกและแท้ที่จริงพวกเขาคือผู้กล่าวเท็จผูกเขากล่าวว่า มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในโลกนี้เท่านั้นและเรานั้นใช่ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพก็หาไม่หากว่าเจ้าจะได้เห็นขณะที่พวกเขาถูก ให้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระผู้อวบาญของพวกเขาโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่านี่ไม่ใช่ความจริงหรือพวกเขาตอบว่ า, าใช่ครับขอสาบานต่อพระผู้อิบาญของพวกเราพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษกันเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา يَزِرُون นนอนได้ขัดทุนไปแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ จนกระทั่งเมื่อวันกิยามาได้มาอย่างพวกเขาอย่างกระทำนันพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้ความเสียใจยของพวกเราในสิ่งที่เราได้ทําให้บกพร่องในโลกโดยที่พวกเขาจะแบกความผิดของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาเพิ่งทราบเพิ่งว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขากําลังแบกอยู่ายาดดยา ล, ล า, ลา และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอีกนอกจากการเล่นการเพื่อเพลิดเพลินเท่านั้นและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคิรอนนั้นดียิ่งกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยาเกรงหาพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ ي ي เราทราบดีว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจยที่จริงพวกเขาหาได้ปฏิเสธเจ้าไม่แต่ต้องว่าบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นปฏิเสธองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ตอางา َلَقَدْ رُسُلٌ قَبْلِكَ عَلَى وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ وَأُوْدُوا كُذِّبَتْ كُذِّبُوا جَاءَكَ فَصَبَرُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا مِّن مَا และแน่นอนบรรดาศาสนาทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว แล้วพวกเขาก็อดทนต่อสิ่งที่ถูกปฏิเสธและถูกทำร้ายจนกระทั่งความช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขาแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงดํารัดของลอได้และแท้จริงนั้นได้มาถึงอย่างพวกเจ้าแล้วข่าวคร า, าวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมา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 แล้วนำสัญญาณหนึ่งมายัางพวกเขาและหากว่าอาลัลลอฮ์สองประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็จะสรงรวบรวมพวกเขาให้อยู่ในทาง น, นำดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่บรรดาผู้โง่เขลาเลยอินน์มายัสตจีบุลดีนยะสมอูนวัลโมตายะบัฏุฮมุลลาหฺทุมมะอิเัยฮยรจอูน แท้จริงที่จะตอบรับนั้นเพียงบรรดาผู้ที่ได้ยินเท่านั้นส่วนบรรดาคนตายนั้นอัลลอด์จะทรงให้พวกเขาฟื้นขือนชีพและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยับพระองค์ ลลลายนนเตววกิอมูพวกเขากล่าวว่าชะนายเล่าจึงไม่มีสัญญาณหนึ่งจากพระผู้วิบาตของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาชงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺนั้นทรงสามารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้มด และไม่มีสัตว์ใดๆในผ่นดินและไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วยสองปอีกของมัน นอกจากประหนึ่งเป็นประชาชาติยิ่งพวกเจ้านั่นเองเรามิได้ให้บกพร่องแต่อย่างใดในคำพีแล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะถูกนำไปชุบลวมนุมมมลา มับรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานั้นคือผู้ที่หูหนวกและเป็นบนาบซึ่งอยู่ในความมืดผู้ใดที่ล้อส่งประสงค์พระองค์ก็จะส่งให้เขาหลงทางและผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะส่งให้พวกเขาอยู่บนทางอันที่ตรง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเจ้าได้เห็นพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือหากการลงโทษของอัลลอฮ์มายัางพวกเจ้าหรือวันกิยมามะได้มาอย่างพวกเจ้าอื่นจากาอัลลอฮ์กรณนั้นหรือที่พวกเจ้าจะวิงวอนหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง ب อ إياه ت ต ع و ن بل إياه تدعون فيكشف ้ามิดาเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขอแล้วพระองค์จะทรงปลดเปลื้องสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนให้ช่วยเหลือหาพระองค์ทรงประสงค์ และพวกเจ้าก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าให้มีภาขีขึ้นแท้จริงเราได้ส่งไปยังประชาชาติก่อนหน้าเจ้า แล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแรนแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมแล้วจะไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมเมื่อการลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขา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 ท่านเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้ดำลึกเราก็เปิดประตูของทุกสิ่งให้แก่พวกเขาจนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเลยงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับเราก็ลงโทษพวกเขาโดยกระทันหันแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวังและได้ถูกตัดขาดจนคนสุดท้ายของกลุ่มผู้อาถรรพ และการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสายบนโลกจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 ل ل ت ت จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าที่ฉันมีครังสมบัติของอัลลอ์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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعش يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم.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 وكذلك ฟตั้นบางหนึ่งบางกลุ่มบางคนบอกว่าพวกนี้ท่านอัลละฮ์ทรงให้พวนี้อยู่ในหมู่เราไม่ใช่หรือที่อัลลอฮ์ทรงรักผู้ทา <ين> เราได้ทดสอบบางคนของพวกเขาด้วยอีกบางคนเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าชนเหล่านี้กระนั้นหรือเท่าล้อทรงกรุณาแก่พวกเขาในหมู่พวกเรามิได้เป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่รู้คุณดอกรีวา่าอิดจาอคขลลดีนยูอมินูนบอายตินาฟุลสลามุนอลัยุมคตบะรบคุมอลานัฟซฮรั์มห์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 และในทํานองนั้นเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายและเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทําผิดจะได้ประจักษ์ชัดจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 และที่พระงองค์ทรงมีบรรดากุญแจแห่งความเด่นรับโดยที่ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้นและพระงองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินในทะเล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 كم, และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืนและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขึ้นในเวลากลางวันแล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้น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 อพระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบาวของพระองค์และทรงทรงผู้บันทึกความดีและความชั่วมาอย่างพวกเจ้าด้วยจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนใดในหมู่พวกเจ้าแล้วบรรดาทูตของเราก็จะรับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่ทำให้บกพร่องเลย ال ق, พวกเขาก็ถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ผู้เป็นนายอันแท้ จ, จริงของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าการตัดสินชี้ ข, ขาดนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รวดเร็วยิ่งในหมู่ผู้ชำระสอบสวนทั้งหลาย จ, มมรรจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความมืดของทางบกและาทางทะเลโดยที่พวกเจ้าวิงวอนขอพรงด้วยความนอบน้อมและแผ่วเบาว่า ถ้าหากพระองค์ทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งนี้แล้วแน่นอนพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รู้คุกล um an um งกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าเราจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันและจากความทุกข์ยากทุกอยาก่าง แต่แล้วพวกเจ้าก้อยมีพาพีขึ้นแก่พระองค์อีก